บัต น, นี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตานุปัสสนาข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้รู้จิตว่าเป็นมหักตะหรือไม่โดยใช้คําว่าเมื่อจิตเป็นมหักตะก็รู้ว่าจิตเราเป็นมหักตะคําว่ามหักตะนั้น คือจิตเข้าถึงความเป็นใหญ่ที่จะถามว่าเป็นใหญ่เนื้ออะไรก็ตอบได้ว่าเป็นใหญ่เนื้อบรรดากิเลททั้งหลายอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมณสิการคือกา ร, การทําไว้ในใจด้วยอุบาที่ชอบประการหนึ่งจากการปฏิบัติในสมถกรรมฐานที่ผ่านขั้นตอนมาจุดถึงจุดหนึ่งประการหนึ่งประเภทจิตในระดับนี้ ท่านหมายเอาจิตของบุคคลที่ยังเป็นปุตุชนทั่วไปจิตที่เป็นมหักตะจึงจําแนกได้เป็น3มกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือจิตที่มีพรหมิหารธรรมปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยพรหมิหารธรรมคือจิตที่มีความรู้สึกเมตตามุ่งดีปรารถนาดี ต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายโดยท่านแสดงว่าเมตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือหมายความว่าความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตานั้นไม่มีความเป็นเราเป็นเขาในหมู่คนและสัตว์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกยอมรับนับถือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุก ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันอย่างที่นำมาสวดในบทแผ่เมตตานั่นเองการที่จิตใจของบุคคลปรับให้อยู่ในจุดนี้ได้หมายความว่าในขณะนั้นนั้นกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับเมตตามีปฏิกะคือความไม่พอใจกุทธาความกโกรธโทสะความระทุสร้ายปยาบาทความผูกพยาบาดและอาฆาตการมุ่งจองร่างจองผานเป็นตน้น ก็ไม่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในขณะนั้นแต่ความรู้สึกระดับที่เป็นอุเบกานั้นยังมุ่งเจาะจงไปในกลุ่มชนกลุ่มใด ก, กลุ่มหนึ่งเจนต้องการให้มารดาบิดาญาติสนิทมิสหายของตนเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน การสร้างความรู้สึกแนวเจาะลงไปในแต่ละจุดชนิดบาลีท่นานใช้คำว่าอุทิศกัลราคือเป็นการแผ่ไปโดยเจาะจงแต่เมื่อประสบกับบุคคลกรรษัตริย์เหล่าอื่นความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ในขณะเดียวกันการดูจิตที่ประกอบด้วยเมตตาพรหมิหารนั้น จะต้องมีความรู้ไปจากแจ้งเกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นๆว่าในขณะนี้จิตประกอบด้วยเมตตาพรหมิหารจริงจริงตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของเมตตาจิตนั้นมีความรู้สึกที่เป็นค่าสึกใกล้ชิดอยู่หลายประการด้วยกันใกล้ชิดในทางที่ย่อหย่อนได้แก่ความรู้สึกผูกพันชันราคะที่ท่านใช้คาว่า ราคะคือความกำหนัดยินดีที่อาศัยรูปธรรมของสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวกํนนาหนดใหม่บางครั้งก็มีความรู้สึกที่เรียกว่าการมราคะคือความกําหนัดในวัตถุอันโดนใครลักษณะความรู้สึกในแนวนี้จะอาศัยรูปธรรมของวัตถุของบุคคลของสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นเครื่องสร้างให้บางเกิดขึ้นในกรณีที่ รูปธรรมเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความรู้สึกอีกสายหนึ่งขึ้นมาคือความจิงจังความไม่พอใจความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ชัด ล, ลักษณะของความรู้สึกที่เกิดเบื่อหน่ายเพราะคลายความกำหนัดแต่เพราะเกิดปฏิฆะคือความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปบางครั้งบางคราวก็เป็นความรู้สึกผูกพัน ในฐานะที่ครอบครองเรือนอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าเกหัสิตะเอที่เรียกว่าเปมาคือความรักลักษณะของความรักนั้นมีความหมดจดสูงขึ้นในแง่ของโลกคือไม่ได้เน้นที่วัตถุธรรมเพียงอย่างเดียวแต่เน้นถึงเนื้อหาคือจิตใจของบุคคลที่แสดงออกด้วยบางครั้งบางคราวอาจละเลยความประณีตสวยงามแห่งรู ป, ปรกาย แต่เป็นมุ่งหมายเอาที่จิตใจหรือทัศนะตรงกันเป็นต้นแล้วก็ก่อให้เกิดความรักความผูกพันกันแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของความรักตรงกันข้ามก็เป็นความโกรธถ้าหากว่าพื้นจิตยังไม่ได้เสริมสร้างให้เกิดความรู้สึกเมตตาสูงขึ้นโอกาสที่จะหักกลับไปเป็นโทสะก็มีได้ง่ายความรู้สึกอีกชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าญหสิตะเปมา คือความรักอาศัยเปลือนได้แก่การรักการผูกพันกานชั้นครอบครัวในฐานะสามีพันดาการเป็นต้นลักษณะความรู้สึกในแนวนี้จะมีความประณีตสูงขึ้นมีสายใยเชื่อมโยงจิตใจของบุคคลให้สามารถอดกลั้นทนทานให้อภัยในความผิดพลาดของการละการได้มากยิ่งขึ้นเพราะต้องการเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขพันในครอบครัวไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกและความรู้สึกทั้งหมดนี้ในแง่ของกรรมาฐาน ก็ยังเป็นเรื่องของกิเลสสายราคะหรือสายโลภะอยู่นั่นเองการจะดูจิตให้ประกอบด้วยเมตตาจริงๆจึงต้องเป็นความรู้สึกที่ไม่เจือปนด้วยรูปธรรมคือความประณีตของบุคคลเหล่านั้นแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านรูปกายของบุคคลของสัตว์เหล่านั้นความเมตตก็คงมีอยู่แต่จะเปลี่ยนเป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งคือกรุณยา์านั้นเองคือหมายความว่าถ้าเป็นพวกราคะความกำหนัด การาคะความกำหนัดด้วยวัตถุที่ตัวใคร่เปรมะความรักหรือเยหัสิตะเปรมาความรักที่อาศัยเปลือนเวลารูปธรรมเปลี่ยนแปลงไปใหญก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายความระอาความจิงชังหรืออาจจะกลายเป็นความโกรธไปได้ในที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะกิเลสสายราคะมีความใกล้ชิดคือตรงกันข้ามกับสายโทสัง ให้ลองสังเกตว่าสิ่งใดที่เราไปกำหนดรักใคร่ยินดีในสิ่งนั้นถ้าว่าสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่มีการตรอบสนองความต้องการของเราั็จะเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามคือกลายเป็นโทสะทันทีแต่ความรู้สึกที่เมตตที่เป็นเมตตาไม่ได้เป็นเช่นนั้นความรู้สึกเมตตามีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ดังกล่าวแล้วการตวดูจิตในแต่ละขณะนั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางรูปธรรม คือทางรูปกายของสัตว์เหล่านั้นความรู้สึกของบุคคลก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปคือจะกลายเป็นกระรุนาเป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งแล้วก็เดินไปในสายของพรหมพิหารแในขณะเดียวกันความรู้สึกอีกสายหนึ่งซึ่งก็ตึงเกินไปในลักษณะที่เกิดความผูกพันจนกลายเป็นอคติในบุคคลเหล่านั้น ถ้าดูไม่ชัดเจนบุคคลจะมองเห็นว่าตัวมีความรักความมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นแต่ความรู้สึกประเภทที่เป็นอกติซึ่งท่นานใช้คำว่าฉันทาอคตินั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่คํานึงนึกถึงเหตุผลและความถูกต้องที่เกี่ยวกับสัตว์กับบุคคลเหล่านั้นแม้ว่าคนหรือสัตว์ที่ตนไปแผ่เมตตาคือสร้างความรู้สึกปรารถนาที่จะเห็น เขอยู่อย่างไม่มีเวรศไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษรากันอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนได้กระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นความผิดทางกฎหมายบ้างทางปริยนัยบ้างทางธรรมะบ้างแสดงถึงความบกพร่องในด้านคุณธรรมที่เหมาะสมแก่ฐานะของตนบ้างแต่เพราะว่าใจของบุคคลมีความกําหนัดมีความเย่อดใหญ่อยู่ในบุคคลเหล่านั้นก็จะไปยึดถือไปปกป้อง ไปปฏิเสธการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรในลักษณะนั้นนั่นก็คือความเอียงที่เกิดขึ้นโดยอํานาจชั้นฐานกติใจที่ประกอบด้วยเมตตาจึงเป็นใจที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วคือจะไม่หักเหไปทางด้านใดด้านหนึ่งจะไม่ไ ป, ไปกําหนดที่รู ป, ปรวัตถุหรือรูปรธรรมของปุกโกลของสัตว์เหล่านั้น แต่จะเน้นไปที่จิตใจยอมรับสภาพความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนั้นด้วแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่พูดกันนั่นเองถ้าหากว่าจิตประกอบด้วยเมตตาเช่นนี้จะแผร่ไปโดยเจาะจงหรืออาจจะไม่เจาะจงในลักษณะของการไม่เจาะจงนั้นท่านเรียกว่าอนุทิสสะปรณาคือความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาอันแผ่ไปไม่เจาะจงบุคคลกลุ่มคนกลุล่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะเห็นคนและสัตว์อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกันเป็นต้นดังกล่าวแล้วก็วให้ประคับประคองรักษาคุณภาพจิตในลักษณะนี้เอาไว้เพราะว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตานั้นเป็นจิตที่มีกำลังมากมีผลมีอานิสงมากข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิปุตต์คือจิตที่หลุดพ้นด้วยอานาจของเมตตา ที่ไดหลุดพ้นอำ น, นาจของเมตตานั้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดในรูปธรรมความกำหนัดในวัตถุที่ตัวใคร่หรือความรักในบุคคลในสัตว์เหล่านั้นตลอดถึงในลักษณะของเป็นความรักอาศรรัยเบิดและอำนาจของสันทากติดังที่กล่าวแล้วตรงแสดงว่าเป็นธรรมมีผลมากมีอาณิสงมาก แม่บุคคลสามารถได้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วขณะจิตเดียวที่ทรงใช้คำสำนวนภาษาบาลีว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือชั่วขณะของการดีดนิ้วมือเท่านั้นเองแต่เป็นธรรมที่มีผลมีอานิสงส์มากจะปวยกล่าวไปใหญ่ตั้งการที่บุคคลสามารถคุมใจของตนอยู่ด้วยเมตตาตลอดการที่นานขึ้นไปกว่านั้นอาจจะเป็นหลายๆนาทีอาจจะเป็นหลายๆ ช, ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นหลายๆวันหลายๆเดือนเป็นต้น ผลอ น, นิสง์ที่เกิดขึ้นจากเมตตาจิตนั้นก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลมากออกไปท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมตตานั้นเป็นประตูแข่งธรรมะในกรณีที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสัตว์ทั้งหลายถ่าก็าเริ่มต้นที่เมตตาได้ต่อไปธรรมะเหล่าอื่นก็จะเดินได้แต่ถ้าเริ่มต้นที่เมตตาไม่ได้ความรู้สึกเหล่าอื่นก็จะเดินไม่ได้ ข้อนี future, then, <Yes. S 1> ้พึงส you know, the ังเกตว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลทั้งหลายนั้นถ้ามีความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกันและกันแล้วเวลาจะปฏิบัติภารกิจการงานซึ่งตนจะต้องเกิบยวข้องกันก็พร้อมที่จะแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการงานเหล่านั้นเวลาจะพูดจาการก็จะพูดจาด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีต้องการให้เกิดผลประโยชน์แต่ผู้ฟังเป็นที่ตั้ง ความรู้สึกเมื่อระลึกนึกถึงบุคคลนั้นก็เป็นความรู้สึกที่มุ่งดีปรารถนาดีต้องการที่จะให้คนเหล่านั้นมีความสุขความเจริญเป็นต้นความรู้สึกในลักษณะนี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วในกรณีที่คนที่สัตว์เหล่านั้นกระทําอะไรก็ตามในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งตามปกติแล้วจะรู้สึกโกรธจะรู้สึกไม่พอใจถ้าหากว่าเป็นการกระทำของบุคคลโดยทั่วไป แต่เพราะอาศัยใจของตนประกอบโดยเมตตาในคนในสัตว์เหล่านั้นเวลามีการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดก็จะกลายเป็นความอดทนการให้อภัยความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นจึงลักษณะความรู้สึกเหล่านี้บุคคลสามารถที่จะให้เกิดขึ้นได้และสังเกตปีนิดพิจนารณาได้จากความรู้สึกในชีวิตประจําบันของตน เพราะการดูจิตในลักษณะนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการนั่งกรรมฐานอยู่เสมอไปคือดูจิตในขณะใดก็ได้แต่จะเห็นว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาก็รักษาคุณภาพจิตที่ประกอบด้วยเมตตาไว้เท่านั้นเช่นในกรณีของมารดาบิดาซึ่งมีพื้นฐานที่ประกอบด้วยเมตตาต บ, บุตรธิดาของตนความรู้สึกก็กระจายตัวเองออกไปโในระยะที่กล่าวแล้วและในขณะเดียวกันเมื่อบุตรธิดากลัทําอะไรออกมาในทางที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึก ให้อภัยอดทนสงสารต้องการที่จะช่วยลูกของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือความทุกข์เหล่านั้นตนัาสภาพจิตเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้ในแต่ละขณะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของปัญหาสำคัญก็อยู่ที่การวิเคราะห์จิตของตนในแต่ละขณะว่าเมื่อเห็นคนเห็นสัตว์เหล่านี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเมตตาหรือราคะเป็นเมตตาที่ฉันถากติ เป็นเมตตาหรือกามราคะเป็นเมตตาหรือความรักที่อาศัยเนดนินเป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะที่เป็นอะไรก็ต้องมองให้จิตให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นๆถ้าจิตยังประกอบด้วยเมตตาอยู่ก็ประกอบประคองคุณธรรมคือเมตตาให้ดํารงอยู่ภายในจิตใจของตนพอใจตั้งต้นที่เมตตาได้ต่อไปก็จะเดินได้ทั้งแนวดิ่งคือแผ่เจาะจงไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ แนวที่กระจายออกไปโดยไม่กําหนดชนชั้น ช, ชาติเชื้อของบุคคลเหล่านั้นในสถานที่อยู่ของบุคคลเหล่านั้นลักษณะจิตที่เป็นมากตะประเภทนี้จึงทําหน้าที่อยู่เหนือกว่าความรู้สึกที่เป็นกิเลสประเภทเป็นโทสะลักษณะของโทสะนั้นอาจจะแรงก็ได้อาจจะเบาก็ได้อาจจะเป็นเพียงความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความงุ่นง่านหรือความประทุษร้ายความโกรธความอาฆาตพยาบาท แต่ถ้าหากว่าใจประกอบด้วยเมตตาแล้วจะอยู่เหนือกิเลสเหล่านั้นกิ เ, เลสต่านั้นก็จะลอดไปใต้ใจเป็นความรู้สึกอยู่เหนืออารมณ์เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดแย้งต่างๆที่บังเกิดขึ้นข้อนี้บุคคลสามารถสังเกตจิตของตนได้ในชีวิตประจําวันว่าถ้าจิตของตนอยู่ด้วยเมตตาเช่นนี้แล้วแม้จะมีเรื่องอะไรขัดแย้งเรื่องความรุนแรงต่างๆจะไม่สร้างความกระทบกระเทือนให้เกิดขึ้นกับใ จ, ใจิตใจ ก็ใจของบุคคลจะอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นไม่อยู่เหนือได้ความาร้าเรอนก็จะไม่เกิดขึ้นภายในใจเพราะการที่ความร้าวร้อนเกิดขึ้นภายในใจนั้นเนื่องจากบุคคลทําอะไรไปตามอาํานาจของใจคือใจโกรธก็ตรึกนึกไปในเรื่องความโกรธใจรักก็ตรึกนึกไปเรื่องความรักใจาคาดพยาบาทก็ตรึกนึกไปเรื่องที่เกี่ยวกับความาคาดพยาบาท ตึกนึกไว้นานเท่าไร่ใจผูกอารมณ์เหล่านั้นไว้นานเท่าไหร่ความเดือดร้อนความร้อนร้อนต่างๆก็จะเกิดขึ้นครอบงาจิตใจของบุคคลได้นานเท่านั้นสภาพจิตในลักษณะ น, น, นี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่ทุกขณะของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ดังที่กล่าวมาแล้วการที่บุคคลเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั่วไปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความตรึกนึกเพียงอย่างเดียวแต่จะเกี่ยวกับ ก, การได้พบกับเขา การได้ยินได้ฟังการกระทำของเขาการได้เกี่ยวข้องกับเขาในฐานะอื่นถ้าหากว่าจิตของตนสามารถดํารงอยู่ด้วยเมตตาทำได้ก็พึงเข้าใจว่านั่นคือธรรมะที่จะต้องประคับประคองรักษาเอาไว้และเป็นผลอนิสงส์ที่บุคคลเหล่านั้นจะพึงเห็นได้ในชีวิตประจำวันของตนเป็นลักษณะการคุ้มครองรักษาของธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ไม่ร่มใหญ่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกเช่นั้นธรรมะคือเมตตาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลขอให้บังเกิดขึ้นและคุ้มครองใจของตนได้ตลอดการเดาดานก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มครองรักษาจิตของตนไว้แม่โรคคือความไม่ยินดีความไม่พอใจเป็นต้นบังเกิดขึ้นสอดแทรกเข้ามาภายในใจอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลานหนึ่งแต่หากว่าความรู้สึกเหล่านั้นเกิดมีกำลังบังเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจใ บุคคลก็ต้องปฏิบัติไปโดยนิย่าที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆก็เป็นเรื่องเหมือนกันคือฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลก็ต้องรักษาวไว้ฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลก็ต้องบำบัดขจัดบรรเทาออกไปจากจิตใจของตนจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและพลังจิตของบุคคลที่มีอยู่ในแต่ละขณะซึ่งตนกําลังประสบอารมณ์เราดันจูอานินนสงค์ของเมตานั้นได้ทรงแสดงไว้ในเมตตาในสังสสูตรคือประสูทธ์ที่ว่าด้วยอานิสงค์ของเมตตา ที่บุคคลผู้มีจิตประกรอบด้วยเมตตาสามารถสัมผัสได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อว่าย่อนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันรายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุ ษ, ษย์เทวดาย่อมรักษาการใอาวุธยาพิษเครื่องประหารต่างๆเป็นต้นตลอดถึงไฟไหม้เป็นอาทิก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผูน้นั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก เพราะว่าใจของบุคคลที่สูญเสียความสงบไปนั้นคือจิตที่หักเทะออกไปในเรื่องห้าเรื่องและแกนิวรณ์ทั้งห้าประการอย่างที่ทราบกันแต่เมื่อจิตของบุคคลดารงมั่นอยู่ในหลักของเมตตาธรรมบางครั้งเป็นเมตตาวิหารีเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ได้เมตตาจิตจิตก็จะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากขึ้นในกรณีที่ประสบกับสุดที่ไม่น่าปรารถนาะ ก็จะเกิดความรู้สึกเมตตาให้อภัยอดทนต่อบุคคลเหล่า น, นั้นเพราะลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลสัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันอันเกิดขึ้นจากการกระทาของคนของสัตว์และแม้ปรากฏธรรมชาติก็ตามจะมีความรู้สึกเป็นสองแนวอยู่เสมอคื อ, อพอใจกับไม่พอใจหรือว่ารักกับชังชอบกับไม่ชอบมลีลักษณะเช่นนั้นแต่ถ้าหากาใจของบุคคลอยู่ด้วยเมตตาความชอบ ก็เสริมสร้างเมตตาให้บังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นควายช้างก็เสริมสร้างขันติอภัยเมตตาให้เข้มแข็งขึ้นภายในจิตของตนก็กลายเป็นการคุ้มครองจิตได้ทั้งสองทิศทางคือส่วนที่น่าปรารถนาก็ไม่ยินดีระเริงหลงจนเกินเหตุในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่เกิดขัดแคลนขุนเคืองซาบหมองขึ้นภายในจิตใจจิตก็บุคคลก็จะยึดมั่นอยู่ในหลักของเมตตาธรรม ซึ่งโดยตรงก็ทําหน้าที่ขจัดความพยาบาทแต่จากกระบวนการทางจิตที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อขจัดพยาบาทไปได้จิตยึดมั่นอยู่ที่หลักเขาไม่ตาทำกรรมาฉันท่าเองก็ต้องสงบออไปเป็นธรรมดาจิตที่มีธรรมนั้นเป็นจิตที่กระปริกระเปรารื่นเริงมีความเบิกบานอยู่ภายในใจความซสื่องซึมน้อยงาวหวดทูต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นครอบงําใจอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนั้น และถ้าหากว่าบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะเป็นฐานสำคัญในคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปในกรติที่เป็นสมาธิในชั้นต่างๆจนถึงได้บรรลุฌานไปในที่สุดและถ้าหากว่าทำการลักริยาตายไปด้วยใจที่ยังมีเมตตาคุ้มครองใจอยู่ก็ทรงแสดงว่าตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติ น, นี้กล่าวถึงเมตตาโดยทั่วไป ถ้าหาวก็เมตตาระดับที่มั่นคงจริงๆก็จะบังเกิดในพรหมโลกที่ทรงใช้ธรรมาเข้าถึงพรหมโลกจึงการเข้าถึงพรหมโลกนั้นเข้าถึงทางในชั้นของจิตในชีวิตประจำวันและเข้าถึงในการปฏิสนธิในพรหมโลกหลังจากทํากาลกิริยาตายไปแล้วดังนั้นธรรมะคือเมตตาจึงเป็นธรรมที่มีผลมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมะสอดธรรมะคือเมตตาสอดแทรกไว้ในที่ต่างๆ โดยไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงอีกสามข้อก็ได้เพราะถ้าถ้าเริ่มต้นที่เมตตาได้อีกสามข้อก็เดินได้เขาเองแต่ถ้าไม่มีเมตตาถึงจะพูดอีก3าข้อก็เดินไปไม่ได้เพราะตัวการสําคัญอยู่ที่ฐานของจิตมีความรู้สึกมุง่งดีปราถนาดีต่อบุคคลอื่นด้วยอํานาจของเมตตาธรรมดังกล่าวแล้วตัวการต่อไปก็คือความรู้สึกที่เป็นกรุณานะความรู้สึกกรุณา น, นั้นมีสองแนวเช่นเดียวกันคือแนวแผ่โดยเจาะจง ตามปกติความรู้สึกที่กรุณาเกิดขึ้นเพราะประรพบสัตว์บุคคลคือประรพบสิ่งมีชีวิตเป็นพื้นประรพบสัตว์บุคคลที่ประสบพยายนอันต ร, รายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆจะเห็นได้ว่าในกรณีเหล่านี้ความวัยของจิตนั้นถ้าหากว่าไม่มีฐานที่ประกอบด้วยเมตตาแล้วแทนที่จะเกิดกรุณาก็จะเกิดเป็นวิหิษะคือรู้สึกสะใจรู้สึกเพลิเดเพลินที่จะได้ดูความรุนแรงในลักษณะนั้น ที่ผ่านมาก็ดีที่ได้ยินได้ฟังดีแม้แต่ที่เหนียวนึกเอาได้ใจก็ดีแต่ถ้าใจที่ประกอบด้วยเมตตาในตอนต้นได้ก็เดินไปที่กรุณณานได้เมื่อบุคคลเหล่านั้นประสบความพาทกุกขเปวดร้อนใจก็จะเอื้ออารทอนต้องการที่จะขอหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นในชั้นนี้ไม่ได้ชั้นไม่ได้พูดถึงการแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพราะชั้นแสดงออกทางกายทางวาจานั้นเป็นชั้นของธรรมจิตรยาสมจริยาคือการประพฤติธรรมการประพฤติสุจริต โะยทนนี้เป็นการตรวจสภาพจิตจึงแน่นอนเลยเกินถ้าหากว่าจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาได้แล้วเมื่อออกมาทางพฤติกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาก็จะเป็นความเมตตาเมตเมตาทางกายกรรมเมตตาทางวาจิกรรมออกไปโดยอัตโนมัติเองในด้านกรุณาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่การดูจิตว่าประกอบด้วยกรุณาหรือไม่กรุณานั้นจะต้องดูว่าถ้าการุณาเป็นกรุณาจริงหรือเปล่า ท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะที่ใกล้ชิดกับกรุณานั้นยังมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือสิเนหาสิเนหาได้แก่ความเยื่อใจความผูกพันมีส่วนแห่งกามราคะอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกันเป็นอาการคล้ายๆกันบุคคลอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นกรุณาหรือเป็นโสกะในบทสังเกตว่ากรุณานั้นอยู่ในมักกะสัตแต่โสกะนั้นอยู่ในทุกขสัต คือคนละอริยสัตว์กันทีเดียวแต่ว่าเกิดใกล้จิตกันอยู่ได้ถ้าว่าบุคคลไม่เพ่งพินิษดูจิตให้ชัดเจนก็อาจจะหลงอยู่ด้วยโสกะนั่นเองโสกที่แปลว่าความโศกอย่างในกรณีที่ญาติพี่น้องของตนประสบ ค, ความทิบขติุกขเดือดร้อนหรอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้สึกสงสารเขาสงสารจ จ, จับจิตจับจิตก็ร้องไห้ร้องไห้ก็เศร้าโศกเสียใจในที่สุดแทนที่จะเป็นธรรมะก็กลายเป็นโสกะพอเป็นโศกก็แก้ปัญหาไม่ได้ ถ้าเป็นกรุณาแล้วแก้ปัญหาได้กรุณายิ่งมากเท่าไรจะแก้ปัญหาได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประกอบด้วยกรุณาใหญ่ในมูสัตทําให้ทรงสามารถแก้ปัญหาให้แก่โลกได้อย่างเต็มชีพลักษณะของกรุณากระโสกะดูแล้วใกล้ชิดกันดังนั้นการตรวจสอบจิตว่าเป็นโศกหรือกรุณาถ้าการุณานั้นสงสารต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์แน่นอนความรู้สึกในลักษณะนี้จะ เต็มตามความต้องการเราไปทุกกรณีนั้นไม่ได้ถ้าแต่ถ้าเป็นกรุณาแล้วเมื่อสุดวิสัยใจก็จะหลบเข้าไปหาอุเบกขาทำคิดพิจารณาเห็นการที่คนสัตว์เหล่านั้นมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นตน้นในทางที่เกินไปก็กลายเป็นฉันทากติโดยนัยะที่กาแล้วดังนั้นการดูจิตในแต่ละขณะว่าเป็นเมตตาเป็นกรุณาหรือไม่นั้นจึงมีลักษณะเหมือนกับการประคองบาตที่เต็มด้วยน้ำมัน ถ้ามีความระ ม, มัดระวังการหักเหของจิตบางทีจิตก็จะไปยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นกุศเลเราดันแต่ในขณะเดียวกันกรุณาานั้นอาจจะแผ่กระจายออกไปในแนวที่ไม่กำหนดทิศทางอะไรก็ได้คือไม่ได้เลือกชาติชั้นวันะต้องการจะเห็นคนสาสตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ตนกำลังประสบอยู่จึงกระหมาอความว่า ปริมาณของคุณธรรมได้เกิดขึ้นสูงภายในจิตใจของบุคคลจะทำหน้าที่กระจัดความรู้สึกเบียดเบียนจึงกนและการให้เจรจางเบาบางลงไปจากจิตใจความรู้สึกอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของมุติตาที่แปลว่าความเพลิดเพลินพลอยเพลิดเพลินพลอยยินดีในการได้ดีมีสุขของคนของสัตว์เหล่างนการที่จะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาได้จะต้องมีความรู้สึกเป็นเมตตาเป็นพื้นฐานต่อบุคคลในสัตว์เหล่านั้นเสียก่อน ถ้าหากว่าไม่เกิดเป็นเมตตาต่อคนต่อสัตว์เต่านั้นไว้เป็นเบื้องต้นแล้วพอมีคนมีสัตว์ประสบความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตในการงานของเขาแทนที่คนจะคุ้มใจให้อยู่ที่มุติตาได้ไม่จะกลายเป็นริษยาความริษยาจึงเป็นอาการของโลภะที่มีเจือโทสะอยู่มากเป็นพิเศษถ้าจะถามใจตนเองว่าทําไมจึงเป็นริษยาเขา ก็ตอบว่าพระเราอยากได้สิ่งนั้นใช่เองแือถ้าหากว่าเราได้เราก็ไม่ริษยาเราหรอกแต่ว่าคนอื่นได้เราก็ริษยาเขาอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไวมากเพราะอะไรเพราะคนตามปกติจะมีการถนอมตนเชิดชตูตนมีความโลภมีความเห็นเกตตัวอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบจิตให้ดีจิตก็จะหักไปอยู่ที่ริษยาแทนที่จะเป็นมุติตาคือความเพลิดเพลินดินเด็กและในขณะเดียวกันนั้น ลักษณะความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาได้ยินได้ฟังได้พบเห็นคนสัตว์เป็นต้นประสบความเจริญก้าวหน้าตนเองก็รู้สถานะของตนเองดีว่าคงจะไม่ได้ในสถานะเหล่านั้นจึงไม่ถึงกับไปริษยาแต่ต้องการจะมีส่วนร่วมมีผลประโยชน์ร่วมขอแบ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเหล่านั้นได้เพาถ้าหากว่าคนนั้นได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตนบ้างหรือแบ่งปันให้แก่ตนบ้าง หรือเขาได้ดีแล้วก็กินเลี้ยงสักมื้อก็ยังดีเป็นต้นนี่จะเป็นความรู้สึกในลักษณะที่เกิดขึ้นต้องการมีส่วนมีผลประโยชน์กับบุคคลเหล่านั้นแต่งกิจกรรมที่มีใครได้ดีมีสุขก็มักจะไปขอให้กินเลี้ยงเป็นต้นนั้นก็เป็นอาการของมุติตาแต่ไม่ใช่มุติตาคือต้องการมีผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลเหล่านั้นการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องพินิษพิจารณาอย่างหนะัก ทำให้จากนั้นแล้วจะมีการหัดเขาทางจิตออกไปโดยในยะที่กล่าวแล้วถ้าในกรณีที่เป็นกุศลก็ต้องประคับประคองรักษาไว้ให้นานที่สุดท่าที่จะนานได้ถ้าเป็นอกุศลก็รีบขจัดบำบัดออกไปโดยในยะนี้จิตก็จะเป็นมหากาตะคือเข้าถึงความเป็นใจในอารมณ์นั้นๆตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความส ง, งบสืบต่อไป